แก้ว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสามสิกขานี้ชื่อว่าปัติปัติสัพธรรมศีลคือความสำรวมกายวาจาตามสิกขาบทบัญญัติได้แก่ปาติโมขะสังวรศีลซึ่งเป็นเชิดกะกศีลก็คือศีลอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐศีลที่เป็นพี่ใหญ่สำเร็จด้วยอริยาสมุต ก็คือการรู้พร้อมของพระอริยเจ้าวรดแก่การอุปสมบทด้วยยติเจตุกรรมวาจาสมมุตินั่นเองและวิรัติความเว้นจากววจีทุจริตสี่กายทุจริตสามมิจฉาชีพหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าอาชีวธรรมะศกษีลวจีทุจริตสี 4, ก็คือพูดปลดพูดสอเสียพูดพำยาพูดเพ้อเจอ้อกายทุจริตสาก็คือฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดนการแล้วก็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 ก็คือมรรคตประจันย์ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเอ ง, องส่วนศาสนาประจันย์ก็ได้หลักคําสอนของพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละก็สําเร็จด้วยสมาทานเจตนาก็ดีหรือว่าจะเป็นวิรัติก็ได้เป็นการสมาทานเจตนาก็ดีเพราะว่าการอบรมอริยมรรคขอแปดนั้นวียรตีสามนั้นเป็นขณะอริยมรรคเกิดขึ้นแต่ว่าตอนปุปภาคือตอนอบรมเนี่ยวิยรตีสามกับเจตนานั้นก็สลับกัน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 ส่วนอุปจาระก็เป็นสมาธิที่เฉียดชานยังไม่ได้ชานมีกําลังของสมาธิองค์ชานห้าเริ่มปรากฏและแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะข่มนิวรณ์ได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกับปฐมฌานปฐมฌานก็มีองค์ห้าก็คือวิตกวิจารณ์ปิติสุกเอกะกะตาซึ่งแนบแน่นไม่รับรู้อารมณ์อื่นแล้วแต่ว่าอุปจาระนี่ยังสามารถที่จะมีอารมณ์อื่นเขาแทรกแต่ว่ามีนิวรณ์เขาแทรกได้เหมือนกัน ส่วนปัญญาความรู้เท่าสังขารคือนามรูปและปัจจคันเป็นต้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนใช่ตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ใช่ตนเป็นอนัตตานะได้แก่วิปัสนาปัญญาตั้งแต่สัมมาสนญญาณจนถึงอนุโลมญาณขั้นต่ําลงมาก็คือนามรูปะปริเชทิญาณวิปัสนาญาณที่หนึ่งแล้วก็ปัจจะยะปฤกขะหญาณวิปัสนาญาณที่สองแยกแยะนามรูปและพัฒณารู้ปัจจัยกําหนดปัจจัย แตว่าโดยโปกติแล้วตามบาลีเนี่ยท่านแสดงตั้งแต่สัมมัชนัญจนกระทั่งถึงมุโรมยานเป็นวิปัสนาญานเก้าหรือว่าวิปัสนาญานสิบคือปัสนาญานเก้าก็เริ่มตั้งแต่อุทยพยัญายาก็มีการแสดงหลายในแต่ว่าเบื้องต้นเลยก็คือจะต้องมีญาตะปริญญาคือพิจารณาแยกแยะนามรูปพร้อมทั้งตัดใจเพราะฉะนั้นถ้าใครพระใจดีแล้วก็เริ่มสัมมัชนัญได้เลยซึ่งเกิดขึ้นด้วยวิปัสนากรรมฐานนั้นชื่อว่าปัญญาสิกขา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 ด้กล่าวไตรสิกขาว่าเป็นปฏิปฏิสัทธธรรมนี้ข้อปฏิบัติอันเศษซึ่งเป็นอุปการะแก่ไตรสิกขาคือวัดประเวณีอันพระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้ในวิัยขันธกะมีบรรชาขันและอุปสถานคันเป็นต้นก็ดีและก็ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรมีอปันนักะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอันได้กแก่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 ข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นอันกล่าวว่าปัติปัติสัทธรรมด้วยเพราะเหตุนั้นพระอัจฉริยธรรมเจาเมื่อท่านจะชี้ปฏิปัติสัทธรรมท่านจึงกล่าว ว, ว, ว่าเตระะทุตังคคุณาจุดเดสะขันทะวัตตานิดวาสีติมหาวั ต, ตานิศีและสมาธิวิปัสนาติปัติปติสัทธรรมโมนามะก็แปลว่า ทุดงคคคุณทั้งหลายสิบสามวัดทั้งหลายอันมาในวัดทขันตกะสิบสี่มหาวัดทั้งหลายแปดสบสองศีลสมาธิวิปัสนาดังนี้เหล่านี้ชื่อว่าปติปติสัตยธรรมทุดงคคคุณสิบสามนั้นก็คือปังสกุลิกังคาองค์ของพิสูผู้ถือผ้าบางสกุลก็คือผ้าเกลื่อนฝุนทั้งหลายเตจีวริกังคาองค์ของพิสูผู้ถือผ้าไตรจีวรนสามผืนเท่านั้น ปินตะปาติกังคะองค์ของพิจูผ yeah. ู้ถือบินธบาตเป็นวัดสัะทานะจาริกังคะองค์ของพิจูผู้รับอาหารบินธบาตตามลําดับเดือนไม่ข้ามเดือนไม่ข้ามหมู่บ้านเอกาสนิจกังคะก็องค์ของพิจูผู้ถืออาชนะเดียวนั่งฉันแล้วลุกขึ้นไม่ฉันอีกปัตะปินทิกังคะก็องค์ของพิจูผู้ฉันในบาตก็คือมีภาชนะเดียวไม่ฉันในหลายหลายพาชนะขลุปัชฌาพักติกังคะก็องค์ของพิจุผู้ ห้ามบินทบาทที่ห oh, ล no. like so, ังก็คือเมื่อรับอาหารดินทบาทก็คิดว่าเลิกแล้วก็ไม่รับอีกหรือว่านั่งดนอาสนะแล้วก็ไม่รับอีกหรือว่าฉันอาหารแล้วถ้าฉันเสร็จหมดเรีบร้อยแล้วก็ไม่ฉันอีกก็มีแบบเคร่งแบบกลางแบบหย่อนอุกฤษกกลางหย่อนโสสานยี่กังค้าองค์ของพิจุผู้อยู่ในป่าช้าอารันยี่กัางค้าองค์ของพิจุผู้อยู่ในป่าเป็นวัดรุกามูริกลางค้าองค์ของพิจุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัด ภพอการสิกังคะองค์ของพิจุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดยะถาสันติกังคะองค์ของพิจุผู้อยู่ในเสนาชนะที่เขาจัดให้เป็นวัดไม่เลือกนะครับไปที่ไหนก็จัดให้อย่างไรก็อยู่ในที่นั้นตามนั้นเนสัตชิกังคะองค์ของพิจุผู้ถือการไม่นอนอยู่ด้วยอริบทสามก็คือยือนนั่งแล้วก็เดินเป็นวัดทุตองสิบสามนี้เกิดแต่อริยาวังสัปติปทาก็คือเป็นข้อปฏิบัติ ที่เป็นวงของพระอริยะด้วยคามักน้อยสันโดษขัดเกลารทั้งนั้นเลยขันธวัดสิบสี่นั้นก็คืออาขันตุกะวัดวัดของพิษุผู้เป็นอาคันตุกะอาวาติกะวัตดวัดของพิกสุเจ้าถิ่นจะต้อนรับอาขันตุกะอย่างไรบ้างคำิกวัดก็วัดของพิกสุผู้มาอยู่ที่วัดคนอื่นแล้วเนี่ยเป็นอาขันตุกะมาแล้วเตรียมตัวจะไปเนี่ยนะหรือว่าอยู่ในวัดนั้นก็ตามแต่ว่าจะเป็นการฤทิที่อื่นก่อจะออกจากวัดก็จะต้องมีข้อปริบัติ เก็บเสนาสนะบอกคืนเสนาสนะเหล่านี้ก็เรียกว่าคำนิการวัตดอนุโมทนาวัดกวัดของพิสูจผู้อนุโมทนานะจะต้องอนุโมทนาอย่างไรบ้างพัดตักวสสัดก็วัดของพิสูุในโรงฉันจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรในโรงฉันบ้างปินดาปาตาจาริการวัดวัดในการที่จะต้องไปบิณทบาทเวลาจะไปบิณฑบาทจะต้องมีข้อวัดอย่างไรนุ่งห่มเรียบร้อยรับบินฑบาทมีมองชั่วแอกอย่างไรนี้ก็จะมีข้อวัด อารัญยิกวัดวัดของพิสุผู้อยู่ในป่าพทุนี้ไม่ได้เป็นทุดงนะคริยากกับอารันยิสังฆะที่เป็นทุดองทุดองนั้นเรื่องห้ของการสมาทานแต่ว่าอารันยิกวัดนี้อันนี้เป็นข้อวัดที่เป็นขันธะที่ไม่เอื้อเฟื้อมีอบัตดในทุดงนั้นไม่มีอบัตดอะไรเสนาสนาวัตวัดของพิสุผู้อยู่ในเสนาสนะจะต้องปัดกวาดดูแลอย่างไรบ้างชันตาคารวัดวัดของพิสุผู้อยู่ในโรงไฟ ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรในโรงไฟไม่ห้ามคนพิสูจเทราหรือว่าพิสุใหม่ไม่ใส่ฟืนมากเกินไปอะไรพวกนี้วัดจากกุติวัดก็หมายถึงข้อวัดในวัดจ ก, กุตีคือส้วมเวเข้าส้วมแล้วต้องทำความสะอาดอย่างไรบ้างมีข้อปฏิบัติอย่างไรนี้จะแนะนำไว้ให้อุปชัยวัดก็วัดของอุปชาสธิวิหาริกวัดวัดของสติวิหาริกอาจารยวัด วัดของอาจารย์อเตวาสิกวัดวัดของอเตวาสิกจะต้องดูแล ก, กันอย่างไรระหว่างลูกศิษย์อาจารย์อุปชาของลูกศิษย์เหล่านี้อ น, นี้เป็นขันธกวัสสิบสี่ส่วนมหาวัดแปดสิบสองนั้นก็คือวัดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่พิจุปาริวาสิกะที่สุดที่อยู่ปริวาสต้องบงาศัยคัญที่สแล้วอยู่ปริวาสจะต้องมีข้อวัดตัางหาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้ามไม่ให้ยังกวรบดให้อุปสมบทจนถึงห้ามว่า ภิกุผู้ปกตัจงกรมอยู่ณแผ่นดินอย่าจงกรมณที่จงกรมเป็นที่สุดซึ่งนับได้หกสิบหกข้อกับวัดที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าอย่าอยู่ในอาวาสที่มุงอันเดียวกันกับด้วยภิกษุผู้ปาริวาติกะผู้แก่กว่าและด้วยภิกษุผู้มูลายะปฏิกสนาระหะก็คือควรแต่การนี่จะต้องชัดเข้าห า, าบาตรเดิมอยู่ปริวัฏแล้วก็มีาบาตรสำคัญพิเศษเพิ่มนี่นะก็ต้องรื้อ ไม่อยู่ต่อแล้วต้องมีการสวดใหม่ชัา ก, ก็หาบัตรเดิมแล้วก็อยู่ใหม่หรือว่าอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันกับภิกษุผู้มานัตตารหะผู้ที่อยู่เป็นว่ารียบร้อยแล้วควรแก่มานัตผู้มานัตตจารีผู้ขอสมท า, านมานัตแล้วภิกษุสงฆ์ให้มานัตแล้วก็ประพฤติมานัตอยู่ผู้อภปาน า, ารหะก็คืออยู่มานัเได้บ่อยแล้วควรแก่อภปานภิกษุที่เป็นปริวาสิกะภิกษุจะไปอยู่ที่มุงที่บางเดียวกันกับ ติ๊ตุเหล่านี้ไม่ได้ก็นับได้อีกห้าข้อประสมกับของเก่าได้เจ็ดสิบเอ็ดข้อกับวัดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ภิกตุอันสง์กระทําอุเคปัญญกรรมห้ามไม่ให้ยินดีสามีจีกรรมมีการไหว้เป็นต้นแห่งภิกตุผู้ปกติตะนับอีกหนึ่งก็คือภิกตุผู้ที่ต้องอาบัติแล้วก็ไม่ยอมเห็นอาบัตหรือว่าเห็นแล้วไม่แสดงคืนหรือว่าเป็นพวกมิฉันทิฏฐ เดือแล้วก็ไม่ฟังบอกห้ามแล้วก็ไม่ฟังก็ให้สวดประกาศเรียกว่ารงองอุเคปนิยกรรมยกออกจากหมู่กลายเป็นพิจูนานาสังวาสใจคนนี้ก็ต้องไม่ยินดีในการมิจิกรรมของพิษุปกตตตะถ้าไปยินดีก็มีโทษมีอบัติอีกข้อหนึ่งกับวัดมีอันห้ามไม่ให้โจทย์พิจูปกตะตะด้วยสีลวิบัติเป็นต้นอีกสิบข้อสิบข้อกับอีกหนึ่งนี้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับอีกเจ็ดสิบเอ จึงเป็นมหาวัด82มหาวัด82นี้เป็นของจะพึงประพฤติในการบางครั้งบางคาบไม่ต้องประพฤติในการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงไม่นับเข้าในขันธกะวัด14ก็คือเมื่อเป็นภิกตุต้องอนุสังฆาธิเศสแล้วถึงจะมาประพฤติวัดเหล่านี้หรือว่าต้องอาบัติสังฆาธิเศสแล้วก็อยู่กรรมหรือว่าถูกลงโอเคปันยกรรมถึงจะมาประพฤติวัดเหล่านี้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 อันนั้นถึงเป็นโลกุตระอันนั้นก็จัดว่าเป็นปฏิเวท ธ, ธรรมไปส่วนที่เป็นปฏิบัติสัตธรรมนี้เป็นโลกิยะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติสัตธรรมนี้ปฏิปฏิสัตธรรมนี้เมื่อประดิษฐานอยู่ในพระอริยเจ้าผู้มีสันดานอันบริสุทธิ์และกัลยาณพุทธชนผู้มีสันดานอันซื่อตรงขอบด้วยปัญญาและอาศัยการลมบัติก็สมบูรณ์บริสุทธิ์ ปราศจากโทษคือสัตรรมปฏิรูปดังทองเมื่อประดิษฐานอยู่ในมือแห่งคนที่ซื่อตรงฉล า, าดดูรู้ของแท้และเทียมหรืออาศัยการณ์สมบัติด้วยก็สมบูรณ์บริสุทธดปราศจากโทษคือชาตะรูปปฏิรูปของธรรมเทียมปฏิบัติศัต ร, รมนี้เมื่ออาศัยการและวิบัติ ก, ก็ไม่สมบูรณ์และอาศัยปุถุชนผู้มีสันดานไม่ซื่อตรง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 ใช้ผ้านิสิตนะไม่ต้องมีชายก็ได้หรือว่าเก็บเกลือไว้ในภาชนะเอาไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นถ้าข้าวต้มข้าวสวยไม่เค็มก็เอาไว้สมัยนี้ก็อาจจะเก็บซอสเอาไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสันนิธิเรณบัตรว่าก็บรญญัติกันว่าปฏิบัติได้เพราะเหตุนั้นปฏิบัติสัตธรรมเมื่อนำสืบสื่อกันมาสิ้นกาลนานจนถึงการบัดนี้เป็นเไหนจะไม่ตสื่อมซามเศร้าหมองข้อปฏิบัติที่เป็นของเท็ด เทียมของปลอมที่ชื่อว่าสัตธรมปฏิรูปก็เกิดขึ้นต่างๆดังถือว่าเดินจงกรมอาบัตตกหมดอันนี้ก็เข้าใจผิ ด, ดเดินจงกรมก็ไม่เกีย่ยวเรื่องของวินัยเมื่อยังไม่ได้แสดงอาบัต์สาบัต์ก็ยังคงค้างคาอยู่นั่นแหละหรือว่านานๆอยู่ปริวาสมานับเสียคราวหนึ่งชำระตัวให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นประเทณีเพราะว่าการอยู่ปริวาสมานับนี้ ต้องมีอบัติสังฆาทิเศษ จ, จึงจะอยู่ปริวาสมานัณได้เมื่อต้องอบัสังฆาทิเศษแล้วปกปิดไว้จึงอยู่ปริวาสถ้าต้องอบัสังฆาทิเศษแล้วก็เปิดเผยเลยทันทีก็ไม่ต้องอยู่ปริวาสจะขอมานัแล้วก็อยู่มานัตแล้วก็อพารเลยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติ ก, ก็ไม่รู้ว่าพอถึงประเพณีออกบรรษาแล้วก็ไปอยู่ปริวาสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเกิดสงทํากรรมให้แล้วมันได้สืบสวนอะไรเลยนี่ก็มีโทษด้วยเพราะว่าเป็นววััตตถุิิบ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 รวบรวมอัตถกาถาทั้งหลายในครั้งก่อนตั้งแต่ท่านพระมาหินเถระในสมัยพระเจ้าอโศกก็ดีหรือว่าพระมหาคสปะในสมัยสังคยานาครั้งแรกพอดีรวบรวมแล้วก็มาจัดเรียบเรียงให้ย่นย่ อ, ยอตัดทอนสิ่งที่ซ้ำซ้ำกันออกแล้วก็ให้มาเป็นแบบแผนแบบอย่างจะเข้าใจว่าท่านตินเขียนไปแต่งขึ้นเองเราก็ไม่เชื่อถือแต่ว่าไปเชื่อถือท่านอาจารย์รุ่นหลังๆที่มีข้อปริบัติที่แตกต่างจาก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 เพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่สําหรับคนยุคนี้ก็ควรจะต้องขมมดให้สั้นให้ย่อสําหรับการปฏิบัติธรรมะอันนี้ก็ต้องพิชณาดูว่าอันไหนจะได้ประโยชน์ผลประโยชน์ท่านมากกว่ากันเมื <บ Grace. S 1> ่อ <ule> er เป็นเช่นนี้ผู้สแสวงหาปฏิปฏิสัทธรรมที่จริงที่แท้พึงทําตนให้เป็นคนซื่อตรงสแสวงหาในปริยัติสัทธรรมที่จริงที่แท้เถิดก็คงจะรู้จะเห็น ท่านพระอมโรเกิดนี้ท่านก็เคารพในพระธรรมคําสอนมากในอาศัยปริยะัติธรรมนั่นแหละเป็นมูลเพราะว่าถ้าคนที่ทิ้งปริยะัติธรรมแล้วก็ไปใส่ความคิดเห็นของตอนเองหรือว่าเชื่อบุคคลอื่นอันนี้ก็มีโอกาสในการที่จะออกจากพระสัจธรรมได้ง่ายมากเลยอันหนึ่งถ้ามีความเชื่อแฝงสงสัยในข้อปฏิบัติและปริยัตบางแห่งแล้ว ก็พึงตัดสินด้วยโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนนางประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าดูกอนนางโคตมีท่านถ้ารู้ทำทั้งหลายใดว่าทมทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อสราคะคือความกำหนดย้อมใจไม่เป็นไปเพื่อวิราคะความคลายกำหนดฟอกใจและเป็นไปเพื่อสังโยคะความประกอบไว้พร้อมด้วยทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อวิสังโยคะความประกอบปราศจากทุก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 ไม่เป็นไปเพื่อสันโดษยินดีด้วยวัตถุอันมีของตนและเป็นไปเพื่อสังคณิกาความเป็นคนนับพร้อมเกี่ยวข้องในหมู่ไม่เป็นไปเพื่อปวิเวะความสนัดจากหมู่และเป็นไปเพื่อโกัชระความเกียรติานไม่เป็นไปเพื่อวิริยารัมภะความปารบซึ่งความเพียรและเป็นไปเพื่อทุพภะตาความเป็นคนอันผู้อื่นเลี้ยงด้วยยาก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 ดูก่อนนางโกตมีท่านพึงทรงไว้เถิดโดยตัวเดียวว่านั่นธรรมนั่นวินยัยนั่นสัตตุศาสนะคำสอนแห่งพระศาสดาธรรมะแปดข้อนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขโตวาดนี้เป็นแบบสำหรับตัดสินสัจธรรมที่จริงที่แท้และสัจธรรมปฏิรูปก็แลปฏิปฏิสัจธรรมนี้แปลว่าสัจธรรมคือความใตร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 อติปติสัตยธรรมกถาจบสําหรับปริยสัตยธรรมนั้นก็อาศัยเหตุภายในคืออุตสาหะกับปัญญาต้องขยันมันเพียรด้วยต้องมีปัญญาด้วยจึงสามารถที่จะศึกษาพระปริยสัตยธรรมได้แต่ว่าอาศัยเหตุภายนอกก็คือกาลสมบัติยุคสมัยนั้นก็ดูว่ายุคสมัยนั้นมีความศรัทธาต่อปริยสัตยธรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเป็นมุ่งปฏิบัติัตธรรมโดยที่ไม่ศรัทธาในปริยตแล้วอันนี้ก็น่าอนาถหน่อยเพราะว่าไม่มีเครื่องเทียบเทียม แต่ว่าสำหรับปฏิปฏิสัตธรรมนั้นก็อาศัยเหตุภายในก็คือศรัทธากับปัญญานั่นต้องมีปัญญาจากการที่ได้เรียนรู้ปริยัติมาแล้วด้วยแล้วก็มีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติธรรมเพราะว่าศรัทธานั้นจะเป็นเหตุใกล้ของโยนิโสมนัสการเมื่อมีศรัทธาจริงๆก็จะน้อมไปในการที่จะโยนิโสมเป็นการปฏิบัติธรรมก็จะทําให้เกิดสมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์การงอยู่ต้องมีทั้งศรัทธาต้องมีทั้งปัญญาด้วย